ลำดับต่อแต่นี้ไปก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นมาบรร ย, ยายขยายความเพื่อเป็นแนวทาง แห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไปวันนี้จะปรารภมเรื่องทางแห่งความสำเร็จ เพราะนั้นแต่ใครน้อมนำเอาธรรมะสี่ข้อนี้มาใช้เรียกว่าอิทธิบาทสี่มีอิทธิพลมากข้อแรกก็คือฉันทะฉันทะหมายถึงความพอใจธรรม พอใจทำทำอะไรก็สำเร็จพอใจเรียนเรียนอะไรก็รู้พอใจดูดูอะไรก็เห็นถ้าทำแบบจริงจังแล้วก็จริงใจโดยเฉพาะการฝึกสติเพื่อเกิดสมาธิเนี่ยเราต้องมี ฉันทะคือความพอใจถ้าเรามีความพอใจอยู่ที่ใจก็ไม่ต้องสอนอะไรกันมากกลับไปบ้านเราก็ทำได้เลยเช้าเย็นสายบ่าย เรานึกถึงคำบริกรรมภาวนาพุทโทพุทธโธ ท, ทุกข์ัเกาหงพระกราบพระสักสามครั้งครั้งที่หนึ่งนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครั้งที่สองนึกถึงคุณพระธรรม ครั้งที่สามก็นึกถึงคุณของพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง mm. ก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ตราบใดที่อริยมตรตมีองค์แปดยังมีอยู่ตราบนั้นก็มีพระหานเราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ พระพุทธองค์ทรงตัดไว้เช่นนี้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธองค์เพราะพระองค์เป็นโลกวิทู<ม>เป็นผู้รู้แจ้งโลก<ม>เป็นครูของโลก เพราะคำสั่งเป็นพระวินัยหรือเป็นศีลส่วนคำสอนนี่เป็นธรรมะพระองค์สั่งไว้สอนไว้ไม่มีผิดนันผิดอยู่ตรงที่ตัวเราเนี่ย คือไม่ทำจริงใจจริงๆทำแค่สามวันห้าวันเจดวันก็พอละอะไรประมาณเนี้ยมันก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นๆได้โดยเฉพาะเรื่องสมาธินี่ก็ต้องมีความรักชอบพอใจ คืออยากทำพูดง่ายง่ายเพรอที่สองวิธียะก็ต้องประกอบไปได้วยความเพียรเพียรแบบไม่ไม่ถอยหลังกลับคือมันกลับไม่ได้แล้วเวลามันไม่พอแล้วเลยไม่กี่ปีเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้ว ทีนี้เราจะมาถอยหลังกลับหมายถึงไม่ปฏิบัติมันก็เกิดมาก็สูญเปล่าพระพุทธองค์ทรงตัดบอกว่าเรียกว่าโมฆบุรุษคือไม่ได้อะไรเลยเกิดมาชาตินี้หมายถึงไม่ได้ทานศีลภาวนาเลย ดันั้นเราต้องมีความเพียรแบบชาคาลิยานุโยคมีความเพียรแบบไม่ถอยกลับจนกว่าจะบรรลุหรือจนกว่าจะสำเร็จหรือจนกว่าจะดับทุกข์ต้องปวงได้ มันยังดับไม่ได้มันก็ทาต่อไปทาต่อไปทั้งชาติชาตินี้ยังไม่สาเร็จก็ไปต่อบนสวรรค์ก็มีพระมาเทศให้ฟังทุกวันพระใหญ่ส5บห้าคำ โวกเทพประพุทธเทพธิดาเขาสำเร็จบนสวรรค์ก็เยอะฉะนั้นในอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเราก็อย่าประมาท <c oughs> ความประมาทนี้เป็นบอกเกิดแห่งความตายคำว่าตายในที่นี้หมายถึงตายจากคุณงามความดีแท น, นที่เราจะทำสร้างกุศลผลบุญ เราก็ไม่ทำซะทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ได้เลี้ยงชีวิตแค่นั้นแหละแต่มันไม่ได้มรรคผลนิพพานฉะนั้นเราต้องเพียรคือต้องบังคับตัวเองเนี่ย น้อยคนนักที่จะบังคับตัวเองได้เน้น้อยส่วนใหญ่ก็ตามใจตัวเองไม่ฝึกฝืนไม่ฝึกนฝกนไม่อบรมไม่บ่มไม่อบรมเพียนเพ่งเผากิเลสให้ร้อนทั่วให้ไมหมมอดหมดไปจับใจ จต้องอาศัยความเพียรแบบเต็มที่เลยเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเพียรประหารนัคือฆ่าซะแล้วก็เพียรภาวนาพุทธโธอยู่ปล่อยๆต่อเนื่องนานๆเ น, น, นี่ยต้องอาศัยความเพียร โนนรักนาประธานก็เพียงรักษาไว้ซึ่งคอหนึ่งสองสามไม่เสื่อมตรวจดูทุกวันตรวจดูตัวเองใครจะมาตรวจให้เราแล้วเราก็ต้องตรวจดูกายเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไหมแล้วก็ตรวจดูวาจา เราพูดกโกหกพูดส่อเสียดพูดเพื่อเจอพูดคำหยาบไหมเนี่ยตรวจเองแล้วก็เป็นตรวจดูใจมีอั น, นพิชาหรือเปล่าเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาหรือเปล่าไปตรวจดูพยาบาทตรวจที่ใจ จิตใจเรามีพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นใครไหมกิเลสเหล่านี้มันจะมันมันจะมาลบ ก, กวนเราก่อนที่สมาธิจะเกิดมันจะมาขวางกัน้นไม่จิตเราบรรลุความดีได้ก็มีความคิดเห็นผิดไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิไหม เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรประมาณนี้เห็นว่าคุณของทามไม่มีเห <pie> ็นว่าคุณของศีลไม่มีเห็นว่าคุณของสมาธิไม่มีเห็นว่าอานิพานไม่มีคือถ้ามันเห็นผิดแล้วก็คิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็ไม่ได้อะไร ตเราเห็นถูกก็คือเห็นตรงกันข้ามเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงคุณของทานมีจริงคุณของศินมีจริงคุณของสมาธิมีจริงคุณของพระนิพพานมีจริงคือดับทุกข์ได้จริงเห็นเห็นอย่างนี้มันก็เห็นถูกสามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงๆ เนี่ยคือเพียงจิตตะข้อที่สามคือเอาจิตใจจด จ, อจ่อจริงจริงจริงใจไม่ห่างเหินจากการฝึกสมาธิไม่ห่างเหิน เหล็กเร็อยู่ในที่คนเดียวในห้องในหลังบ้านบนบ้านหรือในสวนหลังบ้านมีก็เอาเสื่อไปผืนหนึ่งเอาหมอนไปใบหนึง่งเผื่อมนง่วงก็หลับซะหน่อยตื่นขึ้นมาก็นั่งภาวนาต่อทำอย่างนี้น่าจะไม่เกินสิบปี หรือเจ็ดปีไอ้เจ็ดวันนี้คงยากปัจจุบันนี้เราให้สิบปีแล้วกันทำทุกวันนะอาจจะสำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นโซดาบันสกีทาคามี อนาคามีหรืออราหารันต์ในประสูตรท่านตัดไว้เช่นนี้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ใกล้เข้ามาอยู่ที่นั้นพยายาม ไปฟ้าหาสติใช้ขาดสติขาดสติเมื่อไหร่มันก็ไหลลงต่ำหมายถึงจิตใจถ้ามีสติมันก็ยังอยู่ได้รู้อยู่รู้อยู่นะขับรถเหมือนกัน <c oughs> ขาดสติแว๊บเดียวไปแล้วตุม้มแล้วชนก็นล้ว หรือไม่ก็หลับในแวบเดียวกันนั่นแหละเันเร็วกว่ารถอ่ะฉะนั้นคนขับรถนี่มันหลับไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยเท้าต้องไวเหยียบเบรคมือต้องไวหักซ้ายขวาจะไปทื่อๆแล้ไม่ได้อันตราย ที่สีิมังสา ม, มันตรองไขครวนวิเคราะห์วิเคราะห์ดูข้อหนึ่งข้อสองข้อสาเนี่ยเราทำครบไหมเรามีความพอใจในการฝึกสมาธิไหมเรามีความเพียรในการฝึกสมาธิไหม จะมีการภาวนาอยู่ทุกวันไหมถ้าทำได้ครบสามข้อนี้ก็ชาตินี้ก็สำเร็จแน่ได้สมาธิก่อนตายนะได้ก่อนตายก็ไปจุติไปเกิดเป็นพร ม, ร, ม, ร, มรูปพรมอรูปพรมรูปพรมส6บหชั้น รูปคมสี่ชั้นตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงสวรรค์นเนี่ยแปดมื่นสี่พันโยน์ตั้งแต่สวรรค์ไปชั้นพรมอีกแปดมื่นสี่พันโยน์ <c oughs> โยต์หนึ่งประมาณ16หกิโล ลองคูณไปดู่เทย่ะเฉินนฉะนั้ น, น, นอาจไม่ถึงสองพันปีไฟไม่ไรกันจะไม่โลกไม่หมดนะโรกโรคมนุษย์โลกเทวโลกไม่หมดคือเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เปลี่ยนโลกใหม่ต่อไปก็เป็น ส่วนของพระอริยะเมตไตรประสีอานมาตัดสรุปอายุฉันต่ำแปดแปดร้อยปียุคอันก็เป็นยุคของพระสีอาน เรารักษาสินได้บริสุทธิ์ก็เรากันสินห้าสินแปดจะฝึกสมาธิทุกวันทุกวันทุกวันมีโอกาสได้ไปเกิดในศาสนาของพระศีสีอานพระศรีอริยเมตไตร แบบเนี้ยทุกวันไปทำทุกวันทุกเวลาที่เราว่างมันไม่ว่างคนเราเนี่ยจะหาเวลาว่างมันไม่มีใครว่างพระน่เห็นอยู่วัดเฉยๆก็ไม่ได้ว่าว่างนะมันก็มีงานทำเงี้ยยิ่งหลวงพ่อเนี่ยโอย้งานเต็มกระดาษปึ้นเลย จงเว้นแต่เราไม่ไปนะก็ว่าถ้าพูดแบบเห็นแก่ตัวนะเอาตัวรอดดีกว่าเอาจิตแล้วเนี่ยเอาจิตแล้วหลอกไปยุ่งเกี่ยวสังคมมากมันไม่มีที่สิ้นสุดแนละ้วไม่มีที่สิ้นสุดเลย แต่เราตัดออกจากสังคมบ้างมันก็ดีมันมีที่สิ้นสุดคือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครไม่ต้องไปสนใจใครใครอยากมาบวชก็ามาใครไม่มาก็แล้วไปอะไรประมาณนี้เราก็รับสั่งสอนไปตามธรรมตามวิมนัย นี่สุขภาพหลวงพ่อกขไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเสร็จงานแล้วนะูน่นะยี่สิบกว่ากว่านะไม่รู้ยี่สิบเท่าไรไม่แน่ต้องดูก่อนจะมีงานอะไรสำคัญมาขวางกั้นอีกไหมอะไรเนะี่ยประมาณเนี้ยไปกนนี้ไปเป็นเดือนเลยเดือนสองเดือนเลยลนะ่ะ ไปอยู่กับหมอไปกับควบคุมยาควบคุมทุกอย่างต้องไปทําตามตารางเขาเขารักษาครบวงจรจริงๆไอ้ที่บางใสเนะี่ยหมอบุญชัยอะหมอบุญชัย ก็เห็นผลนะคนเฒ่าคนแก่คนจีนในเยอะไม่รักษาตัวเองก็ไม่รู้ใครจะมารักษาให้ลองรักษากายรักษาวาจารักษาจิตไปด้วยเองไปโรงพยาบาลก็นั่งภาวนาทันะ้งคนก่อนนอนก็นั่ง บันทีก็นอนภาวนาไปหลับไปเลยต้องหาความพอดีทุกอย่างอะไรมันเกินไปมันก็สุขภาพเรานี่ก็เหมือนกันอะไรมันเกินไปโรขยาปรมามราพาคนไม่มีโลกมีลาภอันประเสริฐนเ น้อยนักเดีโลกเกิดจากการกินน่ใครที่กินไม่เลือกระวังมะเร็งลำไส้กินสัปะสะเป็ดเอาอร่อยเขาว่านี่นี้มันมีแต่โลกสารพัดโลกเราก็ต้องระวัง ถ้าเราไม่ระวังก็ไม่มีใครระวังให้เราอีกองนะ เ, เหมือนกันเราไม่รับชีวิตใครจะมารับชีวิตให้เราฉะนั้นก็พยายามก่อนตายอย่าประมาทอย่างเดียวเพระพุทธองค์ทร ง, งบอกว่าอย่าประมาทประมาทคือทางความตายตายจากความดีแต่ไม่ประมาทก็ ไม่ตายไม่ตายจากความดีฉะนั้นเราเอาธรร ม, มะในอิยปิบัติสีนี่ไปใช้ฉนันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเอาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะสำเร็จสมความปรารถนาฉะนั้นวันนี้ก็ขอสมมติยุติการประรบธธรร ม, มะไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงมาเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกทุกคนเสาธุสาธุสาธุ